จักสงเข้าสมาบัติไม่ขาระยะเพียงสเดือนเท่านั้นเลยจากนี้ไปอีกสเดือนไปแล้วจักไม่เข้าสมาบัติแน่นอนเนี่ยนะก็อันนั้นเท่ากับถอดใจแล้วว่าจะเข้าพระอะจะเข้าสมาบัติให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่แค่สเดือนเท่านั้นปัจจัยใดที่จะทําให้มีชีวิตเกิน3เดือนไปเนี่ยตัดปัจจัยเหล่านั้นหมดถือเอาเฉพาะปัจจัยที่จะทําให้อายุดํารงอยู่ได้เฉพาะแค่ สเดือนเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าปลงอายุสังขารไม่ใช่แบบปลงแลแบบจับก้อนดินก้อนหินเครื่องทิ้งอะไรเป็นต้นไม่ใช่แต่ลักษณะว่าเหมือนกับว่าจ ะ, ะใช้อาหารใช้ยาสั่งยาและสั่งอาหารให้ชีวิตมีอยู่แค่นี้ถัดจากนี้ไปหมอกไม่ต้องละตัดหมดแล้ววางกันครั้งนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวนะเกิดแผ่นดินไหวกลองทิพย์ก็บรรลุล้นเมฆฝนก็กระหึม่ม เคลื่มคลางเหมือเดือนรูแลง้งสายฟ้าไม่ใช่ฤดูกาลก็แลบแลบปรับขึ้นมาเนี่ยนะฝนก็ได้ตกชั่วขณะหนึ่งรล้วว่าฝนเนี่ยพร่มขึ้นมาทันทีแล้วก็หายไปตอนนั้นพระองค์ก็อุทานนะรู้เนื้อเรื่องราวทบทวนทั้งหมดแล้วก็อุทานถามว่าพระองค์อุทานทําไมได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าใครๆก็จะเพิงพูดเนี่ยนะจริงๆอุทานเพื่อการข้อคอรหา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 คนที่เดินทางอยู่ป่าลึกโดยเฉพาะเดินทางในป่าลึกและหลงทางด้วยไม่รู้ว่าจะไปณนะแห่งหนตำบลใดไม่รู้ว่าจะไปไหนข้างหน้านี่ยมันคืออะไรแล้วดวงอาทิตย์มันดับด้วยดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกขนาดไหนนะใครที่เคยเดินป่าแล้วก็หลงทางเนี่ยนะเดินวกไปวนมาหนทางที่มันเต็มไปด้วยโคดเหวแล้วก็เขาชันเนี่ยไอตอนสว่างๆเนี่ยมันยังพอมองเห็นไกลๆใช่ไหมฉัน้นใด ยังชีวิตของพวกเราที่ยังอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะถึงยังเป็นปุตุชนอยู่ถ้ายังมีคําสอนก็ยังพอมองเห็นแสงสว่างอยู่ราไรนะพอมองสว่างสว่างพอเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นสูงเห็นต่ำอ่านะเห็นดําเห็นขาวเห็นเหตุแห่งความสุขเห็นเหตุแห่งความทุกข์เห็นเห็นอะไรเป็นไปเพื่อความสุขอะไรเป็นไปเพื่อทุกทอแล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปอ่านะมีอริยสัพย์ประดับหนึ่งแต่ถ้า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 มหากัตารูปาวจรและอะรูปาวจรได้แล้วนะปลงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปลงกรรมนะปลงกรรมไหนกรรมไม่ว่าจะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอะรูปาวจรคือว่าปลงมหากุศลปลงอกุศลเจตนา12ปลงมหากุศลเจตนา8ปดลงมหกากัตเจตนาเก้าคือว่าขจัดทําลายเสร็จสิ้น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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอิ่มความเอิบอิ่มในคุณธรรมภายในทั้งที่เป็นสมถะอิ่มด้วยสมถะและวิปัสนาอิ่มด้วยอริยมรรคอริยผลทั้งหลายเพราะสัมผัสกับพระนิพพานแทงปลอดพระนิพพานอันไม่หวั่นไหวพ ร, พระองค์จึงดํารงมั่นอยู่ด้วย อ, อ, อุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มันเมื่อสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังขาร พระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สลัดคืนจากสังขารถอดคว่าถอดอะไรในสังขารตัดความเยื่อายในสังขารพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่เป็นความสุขเป็นธรรมที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวเมื่อพระองค์แทงตลอดธรรมเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ปล่อยโลกียะกรรมทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและอะรูปาวจรค้รว่าตัดตด ต, ดตัดเสียสิ้นเลยนะ ทั้งที่เป็นตุละกรรมและอตุละกรรมกรรมที่ชั่งได้และชั่งไม่ได้กรรมที่ให้วิบากนําเกิดเป็นธรรมดากรรมเหล่าใดที่จะทําให้เกิดในภพสามกำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิเจ็สัตตาวาส9ทั้งหลายหรือกรรมเหล่าใดที่นําไปสู่การรับโลกธรรมทั้งหลายพระองค์ทำลายกรรมเหล่านั้นแล้วนะทำลายกรรมที่ปรุงแต่งกรรมมาพบรูปประพบอรูปประพบเสร็จสิ้นแล้วทําลาย กิเลสที่เกิดขึ้นในภายในเสร็จสิ้นแล้วเหมือนนักรบใหญ่ทำสนามรบนักรบใหญ่ในสนามรบทําลายเกรอบฉะนั้นเนี่ยนะเรียกว่าทําลายอะไรที่มันชัยชนะเนี่ยชนะเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ในที่หนึ่งอีกในหนึ่งตุลังคือช่างพิจารณาหมายความว่าพระองค์เนี่ยแทงตลอดกรรมที่ช่างที่หรือที่ต้องพิจารณาหรือว่าพระองค์เนี่ยนะ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 นะขันห้าเป็นทุกข์พระนิพพานที่ดับขันห้าเป็นสุขเนี่ยนะนะขันห้าเป็นอนัตตาธรรมที่ดับขันห้าได้นั่นแหละเป็นความสุขพันธ์พระนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่ดับความไม่เที่ยงความทุกข์ดับโรคดับฝีดับลูกศรทั้งหมดนั้นะนะการแทงตลอดธรรมเหล่านั้นจึงเป็นความสุขเนี่ยนะเนะระเห็นแล้วว่าอ ขันห้าไม่เที่ยงถ้าดับขันห้าได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นโทษในการมาพบรูปประพบและอารูปประพบเห็นกําไรผลอนิสงส์ที่เกิดจากการแทงตลอดพระนิพพานแก้ได้ว่าด้วยอนุภาพของอาทีนวานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นเลยว่าพิษภัยทุกโทษของพบสามกำเนิดสี่นั้นเป็นอย่างไรถ้าตรัสรู้พระนิพพานแทงตลอดพระนิพพานแล้วสิ้นทุกขได้อย่างไรราะฉนั้นพระองค์ก็เลย ด้วยอนุภาพของอริยมรักษ์นั้นตัดฉันนราคาในพบแทงตลอดพระนิพพานอริยมรักที่แทงตลอดพระนิพพานอริยมรักษอันนี้แหละที่กระทำความสิ้นไปแห่งกรรมอริยมรัก์อันนี้แหละที่เป็นตัวทำลายกรรม